ب ิ سم الله الرحمن الرحيم อัลลอฮุมะซลีอัลัยมุฮัมมัด السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์และประสบกับพี่น้องทุกท่านครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าขอล้องสุนตาลาได้เปิดใจให้พวกเราได้เข้าใจอันกุรอานนะแล้วก็เก็บนำความรู้ ที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นข้อปฏิบัตินะไม่ไม่ใช่ผ่านอุไรอ่านอย่างเดียวแต่ว่าต้องเก็บความรู้ไปปฏิบัติ ด, ด้วยคนเรากว่าจะรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีได้นั้นอ่ะมันจะต้องพบกับวิกฤตหลากหลายแม้แต่ท่า น, นาอับดุลลาห์มุสลามที่เป็นมนุษย์คนแรกของโลกยังพบกับวิกฤต ที่ช้ยตอนมันทำให้นบีอาดัมต้องเพียงําด้วยข้อเสนอที่ช้ยตอนมาเสนอให้ดูแล้วดีแต่ไม่ใช่เงนระวังนะดูแล้วดีแต่ไม่ใช่อันนี้คือต้องเอาเอาระบบอิสลามมาควบคุมดูแลตัวเราเราอ่านอันกุรอานกันนะครับ ในส่วนของความถูกต้องอาจารย์สมหวังได้อ่านให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็มีการเรียนรู้ว่าจะอ่านอย่างไรถึงจะถูกต้องมีเรื่องของมักรอดมีเรื่องตาชีวิตในหลักการอ่านอันนั้นคือความไพเราะในส่วนของการอ่านและความถูกต้องเพราะอ่านคุณอ่านหนึ่งอักษรได้สิบความดีเลาตอบแทนให้งั้นก็พยายามอ่านอัลกรุรอาน ในส่วนของผมกับลูกชายก็ทําหน้าที่แบ่งกันอธิบายอันกุรอานวันนี้จะอธิบายอันกุรอานในสุรหาฮุดอายะที่34ถึงอายะที่38วันนี้สุรหาฮุดพูดถึงแง่คิดจากชีวประวัติของท่านนาบีนวันวอะลห์ฮิสซาลามนับีก็นบีนวันวฮะลห์ฮิสซลามนบีมูซาก็อัลัยฮิสซลาม <c oughs> เวลาพูดถึงนบีท่านมูฮัมมัดสลสลสลัว่าไงนะสะลลลฮุอะไลฮิวะสัลลัลมเวลาพูดถึงสหาบะศย์สนะอุมัรรดรอเดียลลอฮุอันหุนะเวลาพูดถึงเรื่องคนตายก็รอให้มาฮุลลอขอลอประทานความเมตตาเวลาพูดถึงคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่พูดถึงผู้ใหญ่มัด ยังอยู่ยังไม่ตายก็ฮาฟิตะฮุลรอขอลอจะปกป้องรักษาผู้ใหญ่มัดด้วย น, นี่นี่คือวาระต่างๆที่พี่น้องจะเห็นว่ามีอิสลามควบคุมวิถีชีวิตอยู่ทุกกระเบียดนิว้วฉนั้นเราอย่าได้หลุดจากกรอบความคิดแลการปฏิบัติแบบอิสลามไม่งั้นชายตอนเอาไปกินได้นะชายตอนเอาไปกินได้แง่คิดจากชีวประวัตินบีนวัวอะลัยฮิสลาม พี่น้องจะได้แง่คิดยังไงเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปหาแง่คิดมุมมองนะครับที่อัล้อสอนเราอัะนี้อ่านก่อนนะครับ ولا يُفعُوكم نصيئاً أَرَدْتُ أن أَنصحَلكم إن إن كان اللَّهُ يُريدُ أَيُؤيَكُم ه ุ ربكم و إ ل ي ุ ت ر จ ع و ن อลัลลอฮบอกว่าคำสั่งสอนของฉันจะไม่เกิดประโยชน์แก่พวกท่านตามที่ฉันปรารถนาจะสั่งสอนพวกท่านถ้าล้อสงประสงค์จะให้พวกท่านหลงผิดเพราะอึงคือพระเจ้าของพวกท่าน และพวกท่านจะถูกนากลับไปยังพระองค์นั่นคือคำแปลโดยสรุปแต่นี้มาดูคำอธิบายที่มุฟัซิรีนคืออุลมามะที่อธิบายอัลกุรอานคือกุณอานเนี่ย <c oughs> อยายาคุณอานเนี่ยบางอายาจะอธิบายกุณอานจะอธิบายตัวกุณอ่านกุณอานจะอธิบายกันเองบางครั้งคุณอานก็จะถูกอธิบายโดยฮะดีษ บางทีกูอ่านก็อธิบายตัวกูอานเองวะลายูฟังอุกุมนุสฮีคำสั่งสอนของฉันจะไม่เกิดประโยชน์สําหรับพวกท่านตามที่ฉันปรารถนาจะสั่งสอนพวกท่านคือสอนแล้วไม่เกิดประโยชน์กับพวกท่านเพราะอะไรเพราะเราไม่รับคําสอนหรือเราไม่เดินตามเจตนาลมที่อัลลอฮ์สั่งให้เราเดิน ให้เราเชื่อให้เราปฏิบัติงั้นเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากคําสอนทั้งๆที่อัลลอฮ์ o, ต้องการจะสอนมีความต้องการที่จะสอนพวกเราแต่เราไม่สำเร็จผลจากคําสอนของพระองค์แต่นี้เวลาอัลลอฮ์สอนเราในสอนยังไงนัสฮารินละสอน อ, อ, อนาาาลัลลอฮ์ o, สอนเนี่ยสอนให้อะไรครับอัาตาออาหูให้ตออัดเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อและก็ฟัง แล้วก็ปฏิบัติตามนะเราเชื่อไหมเชื่อเราฟังไหมฟังเราปฏิบัติตามไหมแตอนนี้มันขาดตรงปฏิบัติตามเชื่อฟังแล้วก็ผ่านหูพวกเราพวกเรามันมันแจ๋วอ่ะใช่ไหมเชื่อฟังแล้วก็ผ่านหูแจ๋วงั้นเวลา Allah, อัลลอฮ์กูนังที่บอกว่าวัอิดากุยอันกูรานุฟัสตามีอูละหูเวลากูอานทูลอ่านแล้วให้ตั้งใจฟัง นะว่าเอาสิตูแล้วก็หยุดอย่าคุยพวกเราไปตามงานต่างๆพอกลรวอานดังขึ้นปุ๊บคุยอย่างงานอีกาเนี่ยพอานปุ๊บคุยไม่รู้จะคุยทําไมแต่นี่พอคุยปุ๊บเนี่ยแม้เราจะไม่รู้ความหมายแต่เราก็ไม่ได้ร้องหมาัดจากอัลลอฮฺอย่างในน้อยไม่รู้ความหมายก็ให้ได้ความเมตตาจากอัลลอฮฺคือนิ่งแล้วก็ฟังนี่นี่คือระบบ รู้ไหมรู้ทํำยังยังนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรางั้นอลัลลอฮ์เตือนน่ะเตือนให้แล้วครับหนึ่งอตัตออัลฮูให้เชื่อฟังตออาดปฏิบัติตามสิ่งที่อลัลลอฮ์บอกที่เรารู้ว่าซาเมนะว่าอาตัตอนาได้ยินแล้วแล้วก็ตออาดปฏิบัติตามมันถึงจะสำฤทธิ์ผลในตัวเรามันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเราได้ ว่าอัครสรีดีนี่ฮีและมีความบริสุทธิ์ใจอิคลาสใจต่ออัลลอฮ์ที่จะปฏิบัติตามคาสั่งของอัลลอฮ์ต้องตั้งใจแบบนั้นเอาแบบนี้เลยนะสมาณาได้ยินแล้วว่าอาโตนาปฏิบัติตามอย่ากเก็บคาสอนของอัลลอฮ์ไว้เป็นที่รําลึกว่ารู้แล้วรู้แล้วแล้วม่ปฏิบัติตามจะไม่เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเปลี่ยนนั่นคือ เตือนจากอัลลอ์เตือนจากอัลล์คืออะไร อ, าตาอาัตอฮูเชื่อฟังอัลลอฮ์วาอัคต์เราดีนฮีอิคลาสต่ออัลลอ์ที่จะปฏิบัติศาสนาที่อัลลอ์สอนคืออิสลามตอนนี้นะซีห้าของรอซูนเนี่ยคำเตือนของท่านรอซูนน่คื อ, อยังไงพอรอซูนเตือนแล้วเราต้องมีปฏิกิริยาตอบรับคำเตือนอยังไง 1. น่ซอดาอัฮูเชื่อรอซูนบอกเชื่อเลย เพราะอะไรรอซูลจะไม่พูดตามอารมณ์ความรู้สึกของตนเองเว้นแต่สิ่งที่ท่านรอซูลพูดเป็นสิ่งที่ถูกวาฮีมาจากอโลยทั T ้งสิ้นงั้นเชื่ อ, อต้องเชื่อแต่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลเลอะห์สลามก่อนที่จะเป็นนบีเป็นรอซูลนบีพูดอะไรคนเชื่อหมดจนเรียกท่านนบีว่าอัลอามีนเป็นฉายาวะอัลอามีนพูดอะไรเชื่อได้หมด แต่พอได้รับบทีจากอัลลอ์ให้มาเป็นรอซูนสอนอิสลามให้กับกลุ่มชนมุชริกีนที่มะ ก, กะคนไม่เชื่อไม่เรียกอัลลอมีแล้วเรียกไอ้บ้าไอ้บ้ามัจญูนสาฮิดไอ้คนถูกไยาศาสตร์ถูกเวทมนต์ดำครอบงำอาวด่าท่านรอซูนทำไมล่ะเพราะคำสอนของท่านรอซูนมันขัดกับความมุสลิและข้อปฏิบัติของเขาคือเคยจะ อ, อยู่ต่อรูปปั้น รูปปั้นอยู่รอบใบตุ่นลอยเลยจะไปทําการฆ่าตองหาเจเวิตตัวนี้จะทําสงครามกับไปหาเจเวิตไอตัวนี้นะจะทําอะไรก็ต้องไปบูชาเจเวิตซึ่งเป็นนะรครับเป็นหินเป็นปูนที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นแล้วก็สุอยู่กราบไหว้ความเป็นมาของเจเวิตตัวหนึ่งอ่ะมันเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์แต่มนุษย์ก็ไปกราบไหว้บูชานี่ไง คือได้มีสมองแต่เมื่อไม่มีอิสลามมันจะหลงผิดไปกราบทำไมต้นไม้ไปกราบทำไมก้อนหินไปกราบทำไมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกเราทั้งหมดเราก็อัลฮัมดุลิลแลสันเสริญอัลลอฮ์สิผมเคบอกกับพี่น้องว่าถ้าฮัตยาจะเลี้ยงอาหารผมผมขอบคุณอัตโดยการ ไงไหยข้าวขอบคุณข้าวที่ทำให้ผมอิ่มทำไมผมไม่ขอบคุณฮายาที่เลี้ยงผมวันนี้กินข้าวขอบคุณ Allah Alhamdulillah h i l a ล diatamana wasakona w wa ja a j a l a n a muslimin มีอิสลามคุมอิสลามคุมประพฤติเราก็ไม่หลุดจากแวดวงหรือวงจรงอ่อิสลามชาตอนก็กินเราไม่ได้เดี๋ยวนี้ชายกอมันกินเรานะ มันกินเรามันดึงเราไปด้วยภาษาบ้นบานๆนะไม่ใช่หยาบนะมันไม่ได้กินอย่างเดียวมแดกเราด้วยทุกวันเนี่ยในตอนแดกเรานะ ม, มันกลืนไปหมดเลยแล้วเอาความคิดของมันมาใส่ตัวเราแล้วเราเนี่ยเอาล้อสร้างมาเอาล้อให้มีเอายะวะที่กินอยู่ได้ไปไหนมาได้ได้เป็นความรู้สึกที่ดีได้อัลฮัมดุลิลละแล้วก็ปฏิบัติตามที่เอาล้อสั่งสิให้เครื่องมือชีวิตมาทั้งหมด แต่ปฏิบัติสิ่งอื่นที่อัลลอ์ไม่ได้สั่งนะมันต้องคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่งั้นรอซูนสอนแล้วซอดาร์ ก, กหูเชื่อวะอัคลาซอละูและอิคลาสตั้งใจทำมีความมุ้ึกใจต่อท่านราซูนคือสอนปฏิบัติเลยวลำยุขอลิฟอัมราหูซิรอนวะอ า, าลานิยะอย่าขัดแยง้งกับคำสอนของท่านาละซุนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซ่อนเล้นเก็บความรู้สึกไว้ในใจหรือเพื่อโดยเปิดเผยอย่าขัดแยง้งมีหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเดียวงั้นใจเราต้องตั้งเป้าหมายคืออัติอุลลอฮฺว่าวอัติ อ, ลอุลรอซูลตามอัลลอฮ์ตามรอซูลแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตตามนั้นนะถ้าจะดูต้นแบบดูรอซูลที่สมบูรณ์ดูต้นแบบที่สมบูรณ์ดูจากบรรดาสฮฮะบะบรรดาอุลมามะสอเลิฮีนที่เขาสืบทอดอิสลามส่งมาถึงเรา นี่แล้วก็ดูคนเหล่านี้ปฏิบัติตามคนเหล่านี้งั้นเชื่อ Allah อ, Allah อ, อ, อัลลอฮ์เป็นยังไงอัลลอฮ์นัสีใา้เรายังไงอัตอัลฮูวะอัคลอสอรีดีนีเชื่อระซูนยังไงซอดาโกฮูวะอักลอสอละฮูวะลำโยคอลิสอัมรฮูยุสซอวะอิลยานอัะวะอัลานียะอย่างที่ว่าไปแล้วอันนี้ไปดูว่า อัลละนะอฮฺหน า, าลลเตือนเรานาซาตุลกุมอัลลอฮฺเตือนเรานาซีห้าเตือนเตือนเราในอัลกุรอานแล้วเราซุนก็เตือนเราจะเอาอัลกุรอานมาบอกมาสอนให้เป็นรูปประธรรมดูริไซนามัตเวลากุจุบจูพายราอัสวัตไซนามัตพูดกับก้อนหินว่าโอ้หินเอย๋ย ล, ลาตาตุรวาลาตัมฟะคุณนะ่ะให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้ เรตะรุดให้อันตรายแ ก, เ ร, ก, ก, กเราก็ไม่ได้เวลาตำฟ้าให้ประโยชน์แกเราไม่ได้มันเป็นหินไงแต่ที่ฉันจูบท่านก็เพราะท่านรอซูลสลาสลัมจูบท่านรอซูลจูบพระเยซูอัสวัสดไม่ใช่เพราะหินศักดิ์สิทธิ์แต่รอซูลปฏิบัติเป็นแบบอย่างแล้วก็จูบท่านตามที่รอซูลจูบก็แค่นั้นเองนี่คือปฏิบัติตามสุนนนะในบีในรูปของการกระทำไงั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่า เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ไม่มีแล้วไม่มีด้วยที่จะใช้ภาษาว่าเราไปแสวงบุญที่นครมักกะมันเป็นภาษาคนฝั่งคันน้นเราจะไปทําอุ้มรอกก็ไปทําอุ้มรหกใช้ภาษาทับศัพท์ไปเลยเราไปทําฮัทก็ไปทําฮัทเราตะวาสก็คือตาวาสใช้ภาษาเราไม่ใช่ไปแสวงบุญแต่เราทำเราได้บุญกับนิ ล, ล, ลสวตาตาลาตาวาสก็ได้บุญอันนส่วนหนึ่งงั้นหินไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ เหมือนกับตรงเนี้ยไอ้ตรงรางทองเนี่ยเวลาไปตรงหิยิสมาอินหินโคงนบีิสมาอินที่จริงรางตรงนั้นก่อนก่อนมันเป็นไม้หลังคาใบตะล้อมันมีอยู่มันก็ลาดลงมาน้ําก็ไหลลงตรงนั้นตอนหลังเข้ามาเปลี่ยนก็เป็นทองทองคำอ่ะคนก็จ้องจะไปขออุอาจากตรงนั้นแหละจ้องขออุอาก็ต้องไปตรงรางทองที่จริงในฮะรอมทั้งหมดนั้นเป็นมุสแตยาบุตรดาว่าไปขออุอาตรงไหนก็อัลลอฮ์ก็ตอบรับ มันต้องไปเบียดตรงรางทองเข้าวมันไปบางทีต้องอสอกันกลัวคนจะเบียดลําบากตรงไหนก็ได้เหมือนเราละมาสุนัตหลังจากตะวัปแล้วคือว่าละมาสุนัตหลังมาก่อนมิบรอหีมไปตรงเป๊ะเลยนะไม่ได้เราได้คนเหยียบตรงไหนก็ได้ที่หลังมาก่อนมิบราหีมมากอม่อนอยู่ตรงกล้องนี่นู่นไปละมาปาะซอยร้อยสิบสองก็ได้คือหลังมาก่อนมิบรอหีมก็แล้วกันนี่จะไปเบียดโอ้โหบางทีต้อง ไม่ต้องถึงขนาดนั้นมันจะไม่คุ้ช่วยงั้นอลัออนลลอฮ์เตือนเราแล้วใช่ไหมเตือนส่งเราซู่นมาเตือนอย่างเตือนล่ะเตือนอ่าเตือนเพื่ออะไรล่ะอลัลลอ์ไม่ประสงค์จะให้เราหลงผิดก็ทำตามอลัลลอ์แบบนี้นะทำตามเราซุ่นแบบนี้เพราะท้ายสุดเรากลับคืนมาหาใครท้ายสุดเรากลับคืนมาหาใครอินนารินละเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัอลลอ์อลอสร้างเรามา แล้วท้ายสุดว่าอินนาอิลัยฮิรอจิอูนและเรานั้นรอจิอูนอิละฮิต้องกลับคืนมาสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เน้นนะอินนาลิละบอกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งมาอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาให้แม้แต่สิ่งนั้นเราไม่เคยขอให้ตามาเคยขอเมื่อไรให้หูมาก็ไม่เคยขอใช่ไหมขอเป็นลูกศิษย์ซอลแล้วขอให้อะไรอะไรมาเราส่วนนั้นเราไม่ได้เคยขอแต่อัลลอฮ์ก็ให้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ เมื่อเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ทอดทิ้งเราก็ให้คําสอนเพื่อปกป้องกรรมสิทธิ์ที่เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติสิ่งที่ดีดงามความเชื่อการปฏิบัตินะักอัควานคําพูดอัฟอานการกระทําความเชื่อความคิดและหลักการอิสลามที่ต้องสู้กับสังคมรอบด้านเพื่อรักษาอิสลามไว้ให้ได้อันนี้สําคัญที่สุดเราอยู่กับออิสลามต้องต้องยึดมั่นเกาะติด เพื่อเอาอิสลามนั้นดูแลตัวเองให้ได้เพราะอาาัลลอฮ์บอกว่าเวลาตะมูต um ุนในอิลลาวันตุมุสีมูลท่านทั้งหลายจะเพิ่งตายจนกว่าจะเป็นคนที่ยอมตนต่ออาาัลลอฮ์โดยสมบูรณ์เสียก่อนสมบูรณ์แบบไหนใจลินละคําพูดลินละการปฏิบัติลินละเป็นไปตามอาาัลลอฮ์สั่งนี่อาาัลลอฮ์สั่งเรานั่นคือชีวิตที่เราต้องมอบต่ออาาัลลอฮ์วันนี้กินได้อาาัลลอฮ์ให้กิน ถ้าอัลลอฮ์ไม่โปรดปานกินไม่ได้เคี่ยวไม่เป็นบางคนเคี่ยวได้อะไรแต่กลืนไม่ได้นี่วันนี้กืนสะดวกเลยบางทีรีบๆลงไปกลืนเลยไม่ได้เคี่ยก็มียังไปได้เห็นไหมนี่นี่คือความไม่ตาของอัลลอฮ์อ่ะแล้วรู้คือความไม่ตาของอัลลอฮ์เป็นแบบนี้เราพูดยังไงอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรามีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่อัลลอฮ์สั่งด้วยถ้าเราทรายอยต่ออัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์ ถูกลดทอนอำนาจของอัลลอฮ์ไหมไม่ถูกอัลลอฮ์ไม่ได้อ่อนแออัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการอะไรเราถ้าเราทรยศยต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ได้อ่อนแออัลลอฮ์ก็ยังคงเป็นเจ้าเหมือนเดิมแต่ใครแย่เราแย่วันนี้เราทรยศยต่อพ่อแม่นะเขาก็ยังเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ของเราแต่เราเป็นคนยังไงล่ะเป็นคนยังไงงั้นทุกวันสําหรับเราต้องมีอิสลามดูแล ไม่ใช่เฉพาะกิจเฉพาะเรื่องตลอดเลยผมเคยบอกกับพี่น้องว่าส่วนที่มีบทบาทจะรับบุญรับบาปได้มากที่สุดคือส่วนที่ใจเรานะ่ะใหญ่แหละแต่เครื่องมือชีวิตนี่ยตาเป็นยังไงมองฮะลาเนหรอฮะรอมปากเป็นยังไงพูดฮะลาเนหรือฮะรอมหูเป็นยังไงฟังฮะลาเนหรอฮะรอมเราต้องรู้จักควบคุมด้วการอิสลาม วันนี้มีคี้หูแยงหูมีคีตาหยอดตามีขี้ปากแปลงฟันแต่บาปที่มันจะเกาะติดเนี่ยเรารักษาไหมหรือรักษาทางกายภาพอย่างเดียวจิตสำนึกของความเป็นมุสลิมรักษาหรือเปล่านะงั้นหัวรับบุคุมอลัลละฮฺเป็นรผู้รับบุญเป็นผู้ดูแลเราเอลัลลอฮเป็นผู้ดูแล จะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมอลัลลอฮ์ดูแลหมดเพราะอลัลลอ์มีศิฟอาอัรล์มาผู้ทรงเมตตากาเฟตกับเมตตาให้ความเป็นอยู่ให้ความมั่งคั่งให้ความสมบูรณ์เครื่องมือชีวิตบนโลกโดยอย่างนี้ให้ทั้งหมดกาเฟตมุสลิมยิวนัสซอรรคริสเตียนให้หมดแต่รอฮีมนั้นอลัลลอ์เจาะจงที่จะให้การตอบแทนสำหรับมุมินเท่านั้นในวันอาคีรอกาเฟตไม่ได้ อาเฟดไม่ได้งั้นราะมานได้หมดสิงสาราสัตว์อัลลอฮ์สั่งมาอัลลอฮ์เป็นรับุญผู้ดูแลผู้บริบาลรามานให้หมดเลยให้หมดเลยโดนยานะแต่รอฮิมนั้นจะเจาะจงตอบแทนนั่นก็เฉพาะมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นในวันกิยามะราะมานโดนยารอฮิมอาคยรอพูดแค่นี้ก็รู้แล้วรามานแบ่งโลกเลยรอฮิมก็แบ่งโลกราะมานโดนยารอฮิมอาคยรอ แต่จะกลับไปสู่รอฮิมแบบไหนบิสมิลลาด้วยนามของอลัลลอฮ์ด้วยวิธีที่เป็นคำสั่งของอลัลลอฮ์นั่นเราตามเราไม่เหนื่อยที่จะเก็บนำความคิดอื่นที่ไม่ใช่ i สลามเอาไว้กับตัวเราเราเราเร า, เรายอมตนต่อคำสั่งของอลัลลอฮ์เท่านั้นได้เราจะมีความสุขแนะงนวิธีคิดแบบอิสลามต้องต้องมีสิ่งเหล่านี้ใ น, ในใจของเรานะมีสิ่งเหล่านี้ใ น, ในใจของเรา อัลลอฮ์ก็เป็นอะไรนาเซียผู้ตักเตือนราซูลก็คือนาเซียเหมือนการตักเตือนนี่อัลลอฮ์ตักเตือนราซูลก็มาบอกเราอาดูเวลาอัลลอฮ์ฮิดายะให้คําตักเตือนแก่เราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเป็นเพราะอะไรเพราะอะไร เราต้องเป็นตามที่อลัลลอฮ์บอกว่ามาต้นละซอให้บุคคมวามากพาว่ามุฮัมมัดไม่ได้หลงผิดและไม่ได้เชื่อมั่นในทางที่ผิดในมุฮัมมนะัดเราเน่ะไม่ได้หลงผิดและไม่ได้เชื่อมั่นในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นไว้ใจได้ต่อการทําหน้าทีของท่านลบีมุฮัมมัดสรรุลตันลำเพราะสีฟ้าของลบียหนึ่งอัซซิดกูอยู่กับความจริงสองอัตบลีกบอกหมดเลยมีอะไรที่อลัลลอฮ์สั่งให้บอกบอกหมดเลย สามฟอตอนนะมีความฉลาดเฉลียวสิมาตบริกสีตับลบอกอัซกอับลิกอัลฟาตอนะสีอย่างอัซซิทิกอามานะ ม, มีมีอามาณนะที่ไม่ได้เก็บอะไรไว้เลยเมื่ออัลลอฮ์สั่งให้บอกก็คือบอกงั้นอัลลอฮ์จะให้นบีมีปฏิภาณมีความฉลาดเฉลียวมีกรณีที่วัดความฉลาดของท่านนบีเยอะแยะฉลาดที่จะให้ความรู้กับคนต่างระดับแบบไหนให้ความรู้จากคาสอน ให้ความรู้จากการปฏิบัติตนให้เห็นแบบอย่างนี่นี่นบีทำหมดอักวา น, นาบีก็บอกที่ถูกต้องอัฟอานนาบีก็ทำให้เห็นว่าเป็นรูปแบบแบบไหนแบบไหนแบบไหนแบบไหนแล้วก็จับตาการเคลื่อนไหวของท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลตัลัมวันนี้นบีอว่าฟาตไปแล้วทำไมเรียกว่นนบีว่าฟาตทำไมเรียกนบีตายคำว่านอะว่าฟาคือเรามาจากฟาต้านะว่าฟาคืออะไร นบีได้สอนอิสลามโดยสมบูรณ์แล้วแล้วก็จากเราไปเขาเรียนนบีวัลฟาดให้อิสลามโดยสมบูรณ์แล้วก็จากเราไปคนที่เก็บนำความสมบูรณ์ให้อิสลามทั้งหมดคือบรรดาสหฮาบาะที่อยู่กับท่านนาบีเก็บไว้ทั้งหมดและคนเหล่านั้นแหละปฏิบัติเป็นรูปแบบงั้นนบีก็ให้ความสมบูรณ์กันหมดหมดแล้วนะนบีไม่ได้หลงผิดและก็ไม่ได้เชื่อมันในทางที่ผิด แต่นี่เราทําไมนบีอาดัมพลาดละ่ะนบีอาดัมพลาดนาบีก็อาดัมก็มีคุณลักษณะที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่ว่ามนุษย์น่ะมนุษย์ที่มีอารมณ์มันพลาดตัวอะไรเพราะชายตอนมันนําเสนอสิ่งที่มนุษย์คิดแล้วมั น, ม, น, ม, นมันอะไรนะ่ะมันสอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ชายตอนมันบอกว่าอัลลอฮ์บอกลาตักรบฮาร์ีชายะร์อย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้อย่าไปกินจากต้นไม้ต้นนี้ชายตอนมันนําเสนอ มันนำเสมอมันพรีเซนต์พรีเซนต์ความรู้สึกว่ากินสิอย่าไปเชื่อกินเถอะพอกินแล้วหนึ่งจะมีชีวิตอยู่แบบไม่ตายสองจะมีความสุขตลอดกาลใครไม่ต้องการชีวิตแบบไม่ตายใครไม่ต้องการอยากจะอยู่ตลอดนะไม่ตายนะจะอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลมันเป็นข้อเสนอที่ชตอนเสนอแบบมันปิ๊งกับไอเดียของมนุษย์นะท้ายสุดชาะไร่กุ้ อาจารย์โสโก้ดา น, นีสมมนอาทำเลยแล้วบันทิจจะมาดีหน้าเดี๋ยวจะได้พบกับพี่น้องออาหัแล้วพี่น้องนั่งอยู่ประเทศท้ยนะครับไปอยู่มาตั้งกี่ปีเกือบยี่สิบอยู่กับความร้อนเราไปกลับมายี่สิบวันถนะิวเหี่ยวเลยเขาอยู่ไปหนุ่มๆกลับมาแกเลยโดนแดดเอาอิสามมาใหาเ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ผมยกท้าเห็นบนะ ผมแบบนักเลงน่หน่อยยกท้ายกอะไรลมมันจะได้เดินใช่หแต่ข้อเสนอที่อิบรามัม เ, เสนอต่ออาดัมอยู่ตลอดการมีความสุขไม่ตายใครจะไม่เอาเราน่อยากอยากไม่อยากตายอยากกินนู่นอยากมีความสุขแต่ไม่คิดที่จะอิบาดาัลหรอกเรดมอดเนี่กินเยอะเยอะเรดมอดเลยตังค์ไม่มีหมดมวยบาาุณนัง อย่าเกณฑ์อย่าไปอย่าเกณฑ์กัญญานะอย่าไปมั่นใจกัญญาต้องขออนุอาต อ, อัลลอฮ์นี่เรามั่นใจกัญญาไม่ใช่มีเรื่องเล่ากันหรือไม่แล้วว่ามันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนหนึ่งปวดท้องก็ขออนุอาต่ อ, อละะัลลอฮ์ว่าขออลลอให้เจอยาเที่จะรักษาจากการปวดทอ้องอัลลอฮ์ให้เลยได้ไหมได้แต่สาบัตเนะี่ยอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งมีมีเหตุมันจะได้เป็นการศึกษา ก็ขอดูอาต่อหรอ่าไปเจอหญ่าชนิดหนึ่งก็เอามาต้มกินปรากฏว่าหายจากการปวดท้องแต่นี้อาการปวดท้องดูนะอาการปวดท้องในสถานการณ์เดียวกันเกิดขึ้นไอควรนี้ก็ไม่ได้ขอดูอาต่อหรอเฮ้ยญ่ยานี้กินเคยต้มกินแล้วหายเนี่ยเอาหญ่านี้ต้มกินเลยแต่ปรากฏว่าไม่หายทําไมล่ะญ่ายอย่างเดียวกันหรือต้มคนละครั้ง ยาอย่างเดียวกันต้มกินแล้วก็ไม่หายคําตอบก็คือว่าไอ้หายครั้งแรกก็าราะเขาขอดุอ่านต่ออลัลลอฮ์แล้วก็ไปต้มยากินและยากินแล้วก็หายอัลฮัมดุลิละครั้งที่สองนั่นมั่นใจในอลัลลอฮ์ใช่ไหมครั้งที่สองมั่นใจในตัวยาไม่มั่นใจในอลัลลอฮ์ไม่หายครับกําลังจะเป็นบทเรียนสอนว่าเราต้องมั่นใจในอลัลลอฮ์ไม่ได้มั่นใจในตัวยาพอมั่นใจในตัวยาพูดกินยานี่สิ ด, ดี กินยานี่สิดีไม่ใช่นะผลที่เกิดขึ้นจากการกินยาตัวนี้มันอยู่ที่ Allah, อัลลอฮฺอนุมัติหรือไม่อนุมัติงั้นอย่าหลุดนะอย่าหลุดจากศรัทธาที่มีต่อเราต้องเกาะติดอย่างเหนียวแน่นอย่าลืมนะบางทีใกล้าตายจะตายเนี่ยอิสลามกะริมว่าไม่มาก็มีบางที่อยู่เป็นๆนีย่ยซาตานมา ก, ก่อนอิสลามมาทีหลังมีผมไม่เคยโดนที่เคยเล่า มาเตะหินโอ้โหแทนที่บอกอัลฮัมดุลิลลาอินน่าลิลลาด่าหินแล้วต้องด่าตัวเราเสือกไปเตะมันคนเดียวใช่ไหมโยนความผิดให้กับหินถ้าหินมันพูดด่ากูไม่รู้กูอยู่เฉยๆมึงเดินมาเตะกูเองก็เถียงกับหินนั่นเห็นั่นว่าอัลฮัมดุลิลลาอินนาลิลลาอินนายรอจูนระวังแล้วยังโดนเนี่ยอย่างงี้ไปต้นงั้นให้อิสลามมาให้ทันนะอิสลามมาไม่ทันสาตันมาก่อนเสร็จ มันอยู่ที่อะไรการฝึกและอิบาดาต่อ Allah. อัลลอฮ์อายะต่อไปคุอินอินฟตรตูฟะไลย์อิจรหมีวนบรอุมมิมมาตูจิมูนหรือพวกเขาคือพวกกูฟัดกุเรสกล่าวว่า มุฮัมมัดไดอุปโลงมันขึ้นมาคือสิ่งที่นายบิมัดสอนมาบอกนบิกูกเรื่องเ ท, ท็จขึ้นมาแล้วทําเป็นเรื่องเป็นราวนะนั่นคือคนที่ไม่ศรัท ธ, ธาตอ่ออิสลามเนี่ยมันจะกล่าวหาผู้ศรัท ธ, ธาว่าเป็นผู้ที่กูกเรื่องเ ท, ท็จเสมอนี่เขรียกดิสเครดิตไอ้นี่อย่เชื่อมันเลยแบนร้านก็แม่งก็หกแกงอย่าเชื่อมันเลยพร้อมกันก็หกแกง่งนูน่นใช่ไหมอย่าเป็นน่นนะสุนัขอะไรนะ ที่มันจะกินลูกแกะสุนัขหมาป่ากับลูกแกะมันบอกมันไม่ได้ทํำน้ําคุณมันบอกตอนพ่อองอยู่พ่อองทํำน้าไม่คุณเห็นไหมงั้นหมาป่ากับลูกแกะเนี่ยนิทานนีิศพ์รุ่นนี้ทันเนะรุ่นหลังไม่ทันหรอกรุ่นรุ่นแก่แกเนี่ยรุ่นเจ็ดสิบกว่านีิทานมันมันกล่าวหาว่ามันจะกินลูกแกะมันมันบอกลูกแกะทาให้น้ามันคุณ ลูกปลาเพิเลิอยู่ใต้น้ําทําให้น้ำขั้วบนเหนือเหนือมันคุณได้ไงบอกมึงไม่ทากว่าจริงแต่พ่อองทำํำดู ด, ดูงั้นเมื่อนบิวมาเอาอิสลามมาสอนเหมือนกับบอกมูฮัมหมัดกลุกเรื่องเ ท, ท็จต้องใส่ได้ก่อนเหมือนก่อนที่จะเป็นระซุนบอกอัลอามีนไว้ใจได้คนนี้พูดมาจริงทั้งหมดพออาวะฮิจากอัลลอฮ์มาสอนมันจะนูในบ้าซาฮิตสยาศาสตร์อย่าไปเชื่อมันเลย เนี่ยสายศาสตร์มันจะครอบงําเราถึงไม่เชื่อสายศาสตร์มันอ้างไงอ้างตามสภาพแวดล้อมที่มันเป็นอยู่แต่เรารู้ว่าความสําคัญของอันกุร์อ่านเป็นแบบไหนพี่น้องย้อนกลับดูสิสังคมที่เน่าเฟะขนาดนั้นน่ะอะไรเลือกที่จะให้กุรอานลงมากับสังคมที่เน่าเฟะเชื่อวัตถุเชื่อจังเวทเชื่อความศักดิ์สิทธิ์หลากหลายแต่กุร์อ่านลงมาปลดความเชื่อเหล่านั้นออกไป จ, จากจิตใจของผู้คนได้ ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนกูอ่านมวยยีสระขนาดไหนปวดได้อ่ะในอุบัติสางานที่กี่ปีสิบสามปีที่นครมกกาบอกถึงเตา่าฮิตอากีดะเวลามีความยึดมั่นต่ออัลลอฮ์อย่างแนบแน่นแล้วอบยยไปมาดีน่าสิบปีภูกรมจะลงมาแบบไหนรับได้ทั้งหมดเพราะศรัทธามันมีเต็มหัวใจแล้วงั้นวันนี้ต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้เต็มหัวใจแล้วคําสั่งเขาอัลลอฮ์จะมาไม่มีข้อปฏิเสธสิบสามปีสู้กับชีริกเนี่ย นี่คือความมั่วอีสานกับ อ, อันกรุรอานะลงมาในสังคมที่เถื่อนที่สุดจะฆ่าลูกทั้งเป็นจสารพัดที่เป็นยาเฮลียะาความบาปทั้งหลายกุรอานลงมาแก้ได้ลงมาแก้ได้อินาอ น, า น, าอาอนาอัตไนกาลกาซันไเออใ่ไหอินนาอัานาฟีไร ล, ละตินกอ้อยกคนละเรื่องอินนาอัลจานาฟีไรออกมาอเดราะกามาไ ล, ลตอกอดไรครรู้ไหมอันวิชะ น, นี่นี่คือลงมาในรอมฎอนเปลี่ยนได้งั้นเราเราต้องมั่นใจว่ากุลอ่านเปลี่ยนได้แต่สิ่งที่ผู้ฟังฟังเนี่ยต้องมั่นใจว่าเปลี่ยนตามที่อัลลอฮฺสอนอัลฮัมดุลิละถูกต้องวันนี้เราต้องเปลี่ยนเพราะอะไรวันสุดท้ายกลับไปหาใครกลับไปหาอัลลอฮฺเราจะตอบคําถามในความรับผิดชอบของตัวเองอย่างไรมารับบุกาตอบได้ไหมวะมันนบียุกาตอบได้ไหม ตอบได้ไหมมันต้องตอบคำถามวันนี้เป็นรูปธรรมของความเชื่อและเป็นรูปธรรมถึงจะตอบได้นกคโบต่อไอ้คนมาสอนตะลเก็นท่ายก็ตอบไม่ได้หรอกฮะจดได้ไหมจดจดตะลเก็นไปอ๋อจดไปอ่านไม่ได้หรอกหมดแล้วหมดเวลาอ่านแล้วแขวนคอก็ไม่ได้ <laughs> ไมันคือกูอ่านการ ความเชื่อมต้องอยู่ในใจและเคลื่อนไหวตามความเชื่อเคลื่อนไหวตามความเชื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยอ่ะัมดุลินละเนี่ยมัดอ่ะลองหเห็นพออย่าไปจินตนาการอย่างอื่นมันยังไงมันเป็นยังอูเนี่ยใส่ตอนภาแล้วแค่เห็นสวยอ่ฮัมดุลินละพอแล้วจะเป็นยังไงมาชื่อเรื่องราวพิสูจน์มันมเป็นเฉล่ยอย่างแล้วมันหมดแล้วแค่เห็น นี่นี่นี่คิดอิสลามแล้วเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมไหมไม่เป็นพิษเป็นภยัยมีอารมณ์ไข้ต่อเนื่องไม่สั่งสมไม่ไม่มีผ่านไปเห็นครั้งแรกก็ทำแล้วผ่านไปที่ผมบอกว่าการกลับไปมองครั้งที่สองเราคิดอะไรอยู่ต้องถูสอบสวนในวันกิยามะเห็นสวยแล้วก็วนไปนูน่นจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะว่าคุณคิดอะไรอยู่เาลารู้ไหมรู้สอบสวนให้เป็นที่ประจักษ์ว่า คุณคิดอะไรอยู่วันนั้นนะอ่ะอัลลอฮ์รู้อินนัลลอฮ์ยาละมัวฟิซูรูตอลัลลอฮ์รู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกของท่านนะรู้หมดนะงั้นเวลาจะทำลายใครเนี่ยกาเฟสมันทำแบบมันจะกลุ่ความใส่ร้ายว่ามุฮัมมัดได้อุปโภคคำสอนต่างๆมาฮนะเนี่ยกล่าวร้ายก่อนคือดิสเครดิตก่อน อ, อย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมัน นี่คืองานของชัยตอนที่แทรกเข้ามาเวลาอิสลามมามากับนบีมากับอัลลอฮ์มันก็แบบนี้แหละงั้นเราต้องแตกต่างกันนะเราจะต้องแตกต่างกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เมื่อพวกกูฟารมุสลิมกล่าวว่ามุฮัมมัดได้อุปโลกขึ้นมามูยามาตงกาวเถิว่าถ้าฉันได้อุปโลกมันขึ้นมาความผิดย่อมเกิดความผิดของฉันย่อมอยู่ที่ฉัน แต่ฉันปีกตัวออกจากสิ่งที่พวกท่านกระทาผิดมาสอนอิสลามน่ยจะอุปโลกสิ่งเหล่านั้นมาทําไมเพราะสอนผิดความผิดก็อยู่กับท่านนาบีมาาูฮัมมัดนบีก็มาบอกสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าการใส่ร้า ย, รายสร้างความชิงชังสร้างความเกลียดชังมันเกิดขึ้นเสมอกับศีลธรรมและความถูกต้องกับอิสลามด้วยเนี่ยมันปล่อยไม่ได้ถ้าอิสลามโตเมื่อใดมันไม่สบายมุสลิมคิดจะสร้างสุเรา คนฟังข้างนู้นยังร้อนเลยถือป้ายต่อต้านไม่ให้สร้างสุราเออไม่ใช่สาบับนั้นหรอกเราไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้ใช่ไหมอห่าใ ช, ใช่ใช่เลยเลยอย่าตั้งคําถามว่าไอคนที่มาต่อต้านที่จะสร้างมัสยิดไม่รู้ที่ทรงนั้นน้าท่วมบ่า <c oughs> อิสลามจะเกิดตรงไหนมันต่อต้าน แต่อิสลามจะเกิดกับตัวเราที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราเยอนไม่ใครมาต้านทําไมล่ะทั้งๆที่ความเชื่อมันอยู่ในตัวเราเราต้องไม่ย้อมให้ใครต้านไม่ย้อนให้ใครชวนเราไม่ในทางที่ผิดเก็บอิสลามไว้ในใจและปฏิบตัติบทเรียนของความผิดพลาดของละเบียอาดัมได้ไม่ได้ผิดพลาดแล้วมีแต่อดีตแต่มีบทเรียนสอนชีวิตด้วยดวงอาบทหนึ่งว่าไงนะรับบานาซาลัมนาอัลฟุสันนาไวลัมตักฟิลลันา ว่าตาราหำนาแล้วนะกูนั้นนะมีนั่งคอสิรินี่บทเรียนของความผิดพลาดทรงต่อให้ลูกหลานรอบบนาดลัมนาราเบออดามก็บตาบ้าตนตอหรอเราก็เอาตัวเนี้ยไปใช้ต้องใช้ทุกวันด้วยเราเมื่อคนผิดเยอะรอบบนาดลัมนาอังฟุษน า, นาอันได้นะปันนี้อันไม่ได้ก็ก็ตามใจ <laughs> ก็ตามใจ นะนั่นน น, นั่นคืออะไรสิ่งที่อัลลอฮ์สอนแต่นนี้หลักการอิสลามเนี่ยมันยากไหมมันไม่ยากแล้วอัลลอ์ก็ไม่ได้บังคับชีวิตใดให้ทากับพบกับความยากละบากจนทำไม่ได้ไม่ใช่บวชได้ไหมไม่ได้มันต้องบวชเสียฟิดยาไม่ต้องบวช ละมายืนไม่ได้มาต้องยืนนั่งนั่งไม่ไดไ้ไม่ต้องนั่งนอนไม่ได้ยากใช่ไหมอิสลามอยู่กันมันฮัดอยู่กันแนวทางตรงไหนต้องประโยชนสองประโยคน์นะพี่น้องจาไว้หนึ่งอิฟอันจงปฏิบัติตามที่อรรอยเลอร์ซูลบอกสองลาตัฟอันอย่าทําอย่าไปฏิบัติทําก็อย่าทำแค่นั้นเองอย่างนี้อรให้ทําทําอย่างนี้เราว่า อ, อ, อย่าทําไม่ต้องทําไม่ยากเลยอาเกมุสลัจงละหมาดบาอาตุลตะกะจงออกสา ก, กาด นี่ต้องทําต่นี้พ อ, พอละหมาดและออส ก, การ์เนี่ยดูสิคุณอ่านเวลาอ่านไปลึกคุยมันจะยาวทำไมอัลลอฮ์เชื่อมประโยชน์ในคำว่าว้าวไปไว่าแล้วหมาดและสการต้องไปด้วยกันเมื่อละหมาดเป็นการซักฟ อ, อกตัวเองส ก, การก็เป็นตัวซักฟ อ, อกสังคมอลัลลอฮ์กล่าวละหมาดกับสการคู่กันถ้าจําไม่ผิดประมาณเจครั้งในอันกุรอานละหมาดและต้องออส ก, การถ้าไม่มีะการทําไงสอดกะ ในอัตราส่วนที่พอๆกับอากาศหรือน้อยกว่าให้เรามีโอกาสที่จะรับประโยชน์จากตรงนี้ว่าอกีมุสซาละวาอาตุสกานี่อิฟอันจงปฏิบัติและก็ลาตาอันอย่าปฏิบัติเช่นลาตักรบุศีนาอย่าเข้าใกล้าการศีนาไม่ได้ห้ามทำสีนานะห้ามเข้าใกล้ที่จะมีบทกระตุ้นให้ถึงปลายทางที่เป็นสีนาก็ห้าม งั้นอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่จะทำความชั่วเราอย่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันจะซูมความรู้สึกดูดความรู้สึกอิสามออกแล้วยัดไสตอนขังในตัวเราเราไม่ได้เกิดมาเพราะไสตอนสร้างเราเราไม่ได้เป็นข่าถาตของไสตอนเราเป็นผู้ที่อัลลอฮ์สร้างมีเกียรติไหมอัลลอฮ์สร้างอ๋อไม่เรียนสร้างทรงเดชนะอัลลอฮ์สร้างโดยเจตนาของพระองค์ และความสวยความรอความไม่รอไอทำดุดิแล้วแล้วแต่การได้มาแต่สิ่งที่เท่ากันที่อัลลอฮ์ให้จะรวยจะจนคือตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ออให้มาไม่ได้ห้ามคนรวยละหมาดไม่ได้ห้ามคนจนละหมาดเวลาเข้าซอบละหมาดพี่น้องดูไม่ได้มีคําสั่งจํากัดว่าซอบแรกซึ่งเป็นซอบที่ดีที่สุดต้องเป็นของกษัตริย์ไม่ใช่คนจนก็ไปยืนได้ซอบแรก ใช่ไหมไม่มีตําแหน่งหน้าที่ก็ไปยืนได้ซอบแรกไม่ได้ห้ามเนี่ยไม่ได้บอกซอบแรกต้องเป็นกษัตริย์ซอบสุดท้ายต้องเป็นคนจนเปล่าเลยสิทธิความเท่าเทียมที่เอาร้องให้ดูสิเอลรัมดยิน ล, ละที่ไหนนี่คือสิ่งที่เอาร้อบอกให้เกียรติแกเรารู้ว่าวันนี้เรามีชีวิตอยู่ด้วยเกียรติที่เอาร้อให้กับเราสร้างเรามาเป็นมนุษย์ไม่ได้สร้างมาเป็นสัตว์พรอสัตว์แล้วมันไม่ได้มีการตอบแทนไม่มีการสอบสวนวันนู้นตายแล้วก่อน เป็นดินเป็นหมดดินแบบไหนว่ารออลัมเราสิวะไม่ยาะมันมิสกและดาร์ตินไคไรยะรอวะไม่ยาะมันมิสกและดาร์ตินชรเรย์รอดีไม่ดีวันนู้นรูแต่วันนี้ผิดผิดพลาดพาตาว้าตนต่ออัลลอฮ์อิสิกฟาต่อ AH, อัลลอฮ์อัสซาฟิรลอว่าไปเลยแล้วกลับตัวกลับตัวกลับตัวเป็นคนดีเป็นคนดี น, น, ดนี่คือคือวาระของชีวิตที่อัลลอฮ์ให้ <c oughs> นั้น if อันกัลาตอฟอันจงปฏิบัติและอย่าปฏิบัติมีความชัดเจนใครจะมาพูดว่าปฏิบัติแบบนุ้นแบบนี้สิก็ดูว่าอาลัอลลอห์แลลาซูลบอกหรือเปล่านะและเดนี้ระดับการปฏิบัติตามศาสนามันพัฒนาระบบมากขึ้นตรงที่ว่าอิสลามสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แต่ว่าพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้นตรงที่ เขาคัดเ้นหัดิที่โซเฮียกับโซอีฟ e ก่อนๆนี่ใครว่าไงก็ทำทำทำทำมาทีไม่ใช่ตอนนี้โซเฮียเอาโซเฮียในเรื่องเดียวกันมีโซเฮียเอาซเฮียโซอีฟเอาไว้ก่อนนี่คือการเรียนรู้เพราะก่อนๆ น, นี่อิหมานชาวียิต์อบปัญหาที่อิรักอย่างหนึ่งแต่มาตอบปัญหาที่อียิปต์อย่างหนึ่งเพราะอะไรอิรักรู้แค่นั้นตอบแค่นั้นพอมาอยู่ที่อียิปตรู้มากขึ้ น, ม, นมันมันมีรายรายละเอียดบางอย่ก็ตอบอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากนกอดีมกับโกนจะดี ทำไมล่ะอิมาชอีต้องกลับคำคำตอบมาเป็นแบบนี้เพราะหลักฐานที่ได้รับมามันชัดเจนกว่าเมื่อก่อนนู้นวันนี้เราเรียนรู้ก่อนๆไม่รู้เราซอยเฮียยังไงดออีบยังไงเดี๋ยวนี้อุลมามะเขานำมาเผยให้เราได้รับรูและในคะแนในเดีวยวกันก็มีข้อเขียนที่ไม่ใช่ฮะดีสแต่อ้างขึ้นมาแล้วเราก็ปฏิบัติเยอะเช่นละมาตอระเวียคืนแรกพ้นจากบาปเหมือนก็ออกมาจากคันของมารดา ไอเนี่ไม่นมนี้ที่มากรุความเท็จขึ้นแล้วมาเจอกับคนไทยด้วยรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีละหมาดคืนแรกคืนเดียวตะระเวียเพราะเกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์แล้วคืนสองกูไม่ทำแล้วก็ไปว่าอูฮิยาอีละนูฮิอันนัลียมินะบินกอลิกอิลลักมันกัดามันฟลาตบอิสฟลาตบิสบีมาแนูยัฟลู และได้มีวาฮีมายังนัวว่าแท้จริงจะไม่มีผูดด้ใดจากมูชนของเจ้าศรัทธาเว้นแต่ผู้ที่ได้ศรัทธาแล้วดังนั้นเจ้าอย่าเศร้าหมองในสิ่งที่กเขากระทาน บ, บีนัวประกาศอิสลามตั้งเก้าร้อยกว่าปีพี่น้องผมจําตัวเลขผิดหรือไม่ผิดจะสับหรือไม่สับก็รู้มีคนศรัทธาแค่80ดสิบคนไลลันวานาฮาร้ทั้งกลางวันและกลางคืนประกาศอิสลามบอกทั้งกลางวันกลางคืนแต่คนไม่ศรัทธาน บ, บีนัวผิดไหมไม่ผิดทําหน้าที่ แต่คนเหล่านั้นดึงดันต่อคําประกาศของนบีนัวต่อคําสองของนบีนัวก็ยืนหยัดไม่ศรัท ธ, ธาต่อนบีนัวแล้วใครพังท้ายสุดใครพังคนที่ทรยศต่อคําสองของนบีนัวพังแต่นบีนัวรอดนะนบีนัวรอดงั้นกุรานจึงบอกให้เราได้รับรู้ว่าคุรานได้บอกให้เราได้รับรู้ว่าคนต่างๆเหล่านั้นแหละ นบีนัวก็ขออะไรขอดุทิต่ออัลลอ์ว่าอะไรนะให้อะไรให้คนเหล่านั้นอัลลอฮ์เก็บคนเหล่านั้นทั้งหมดคนที่เกกบเป็นกาเฟตไมอีมาต่ออัลล์ทั้งหมดเก็บไปหมดเลยเก็บไปกระทั้งลูกของนบีนัวชื่อกันอานะวันที่นบีนัวเรียกขึ้นเรือนั่นหมายความว่าผู้ศรัทธาต่ออัลล์นบีนัวเรียกขึ้นเรือ และต่อเรือมาไอ้คนก็เยาะเย้ยถักถ า, กางอะไรว่าแรงๆต่อเรือแต่ว่าอัลลอฮ์ให้นบีนัวรู้ว่าปรากฏการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเตรียมเรือไว้สำรองคนที่อีหมานต่ออัลลอฮ์สุวาตาลาไอ้คนก็ถากถ่างท้ายสุดอัลลอฮ์ให้น้ําท่วมโลกลูกที่เป็นลูกนบีไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุวาตาลาไม่ยอมที่จะขึ้นเรือคือไม่หมายความว่าไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ไม่ขึ้นเรือ มันก็ลอยอยู่ในน้ําน้ําก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นพ่อก็เรียกว่ายาบูนยาลกรมมานาโอ้ลูกรักจงโกรได้ขึ้นมาอยู่บนเรือกับพ่อเธอเห็นแล้วว่าน้ําขึ้นมาขึ้นมาพ่อเรียกลูกขึ้นบนเรือแต่ลูกไม่ขึ้นพ่อไม่ศรัทธาตออ่อ Allah ลูกว่าไงไหม sawilah jabalin yasimuni min alma ลูกว่า ฉันมั่นใจว่าฉันจะไปอาศัยอยู่บนยอดเขาข้างหน้านู้นที่เชื่อมั่นว่ายอดเขานั้นจะทําให้ฉันพ้นจากการจมน้ําตายประเด็นนิดหนึ่งที่น่าจะได้คิดตรงนี้ก็คือว่าคนเวลามาศรัทธาต่อโลกจะศรัทธาต่อวัตถุมาศรัทธาต่อโลกจะศรัทธาต่อภูเขาศรัทธาต่อต้นไม้ศรัทธาต่อก้อนหินศรัทธาต่อเจวิตศรัทธาต่อแม่น้ำศรัทธาต่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งสิ้นมันไม่ได้เกิดมาเป็นพระเจ้านะ มันเกิดมาเพราะอาลัลลอฮ์สร้างมาเพื่อเอื้อประโยชน์แกเราแต่เราตังหาดที่ไปยึดถือมันเป็นพระเจ้าที่นอกจากอาลัลลอฮ์เพรา ะ, ะได้การยั่วยุของชายตอนให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยได้แล้วปรากฏการณ์อะไราที่เกิดขึ้นวันนั้นเมรัยมีวัดวัดหนึ่งถล่มลงมาปรากฏว่าพุทธรูปไม่พังนั่นแหละทาให้หลงผิดมากขึ้นโอ้โหศักดิ์สิทธ แตว่ามุสิมองเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาก้อนหินล า, ลาตาดุรุวาลาตมฟะให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้มันจะบรนดาลไม่ได้ได้ยินก็ไม่ได้ยินเห็นก็ไม่เห็นมันเป็นฝั่งคานูนที่เราอยากเก็บสิ่งฝังคานุ่มเอาไว้ที่ตัวเรางั้นอย่าไปแขวนตะกงตะกุดไม่ได้แขวนขอต่ออลัลลอฮ์นะอย่าชี้นิเพราะแขวนตะกุดพึบอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีตะกุดเออกูตายแน่ อัลลอฮ์อย so ู ah ่ไหนอัลลอฮ์อยู่ไหนเวลาอุบัติเหตุก็อย่าไปพูดอย่างงู้นอย่างนี้อัลัฮัมดุลิลละก่อนแล้วก็บอกว่าอินนาลิลัยว่าอินนาอิลัยรอจุอูดแล้วก็ขอในอัลลอฮ์อัลลอฮุมะยุลนีฟีมุซิบัตีวะอัคลิฟลีคอยรามินฮาขอรับประทานผลแะบุญให้กับฉันและขอรับได้ทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับฉันด้วยนี่ไงชีวิตที่เชื่อมโยงกับคําสั่งของอัลลอฮ์อะลัฮัมดุลิละก่อนเราเราพูดไหยมันมาที่หลัง มาสองวันเพิ่งนึกได้เออกูว่าทำดิแลก็ดีงั้นอาจทมดิแ ล, ล้วอินน่าดิแ ล, ล้วว่าอินนาอไรรอจมูนอัลลอฮุม า, าจุดนี้ฟีมูซีปฏิวะติริฟลีคอยรอมินานี่คือบทที่สอนสั่งเรางั้นนบีนวัวไปแล้วนะนบีนวัวไปแล้วก็อะไรเป็นอรเป็นอุทาหรณ์ที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นมันน่ายินดีตรงไหนครับ สิ่งที่อัลลอฮ์บอกในอันกุรอานที่ปรากฏอยู่ในอันกุรอานมันจะมีสิ่งที่เป็นความจริงประจักษ์ชัดบนแผ่นดินนี้เสม อ, อเรื่องาราวสุลตุนกาฟิพวกชาวถา้ำที่หนีจากการชิดิกต่ออัลล์หนีจากกษัตริย์ที่จะบีบคั้นให้มันชิดิีกต่ออัลลอ์หนีไปอยู่ในถ้ำ3าม300รอกว่าปีเดี๋ยวนี้ถ้ำตรงนั้นมีไหมมีเราสามารถเห็นสถานที่จริงได้ผมเคยไปที่ใบตุ มักดิสอัคซอก็แวะดูที่จอร์แดนมันมีสิ่งเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานที่อลัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานแล้วพอไปในนูน่นนะไปต้นมักดิสไปตา้งนูน้นก็มีมัซชีอักซออยู่จริงที่เป็นขิ้ปรลัดดั้งเดิมของเราเอาลัลลอฮ์พูดก็มีสิ่งที่เป็นความจริงยืนยันยิวมันต้องการจะทําลายขณะนี้กีดการมุสลิมขณะนี้ไปไปเดซีสมัยพวกไรครับ พวกซีนาพวกริวัตเอาล็อบพิกแผ่นดินจะเกิเดกเด็กสีมีประวัติศาสตร์ในอัลกุรอานก็มีภาพของความเป็นจริงที่เราไปศึกษาได้แต่จริงนาบีก็บอกว่าไอสิ่งไม่ดีเพียงผ่านอย่าไปหยุดนานแต่พวกเราไปเด็กสีก็ไปเอาเล่นน้ำกันเอาเคโคลนพอกตัวอะไรแต่อะไ ร, ะไรกลับมาขาวเลยนะก็เลยเชื่อกันใหญ่นะไอความเข็มอาจจะรักษาราแล้วแต่แต่ว่า จริงๆแล้วไปแป๊บเดียวให้เห็นก็พอแล้วนี่เราก็ไปเอาดินมาเอาโคลนมาก็ขายได้เป็นสินค้าจากเดฟซีจริงความหนานแน่นของทะเลมันหนานแน่นมากจนกระทั่งว่าทุกอย่างลอยน้ำได้นั่นนั่นคือสิ่งที่ของเราชัดมากพูดถึงอักซอก็มีอักซอพูดถึงนาบีแล้วก็ก็มีมีบทพิสูจน์ให้เราได้เห็นทั้งหมด และได้มีว่ฮีแก่นัวว่าแท้จริงจะไม่มีผู้ใดจากมูชนของเจ้าอันนี้อ่านไปแล้วเมื่อกี้อ่านไปแล้วดังนั้นอย่าสร้างหมองในสิ่งที่พวกเขาก็ทําก็ทําำเขาก็รับไปนะแต่ว่าไอความเสียใจมีไหมมีแต่ว่าอย่าสร้างหมองเพราะเราทําหน้าที่สมบูรณ์แล้วอลัลลอฮ์บอกว่าไง Wasnailfulka biayunina wa wahina walladuqatibni f i l a d z i n ล d l a m u innahumuhramun และเจ้าจงสร้างเรือต่อหน้าเราและตามบัญชาของเราและอย่ามาพูดกับข้าถึงบรรดาผู้อาธรรมแท้จริงพวกเขาจะถูกจมน้ําตายและบีนนก็สร้างเรืออานิสนาอิ น, น, นฟุลก็สร้างเรือบีอายูนินาภายใต้สายตาของเราคืออัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลนะอัลฟุล คืออะไรนะีอายูนีนะคือตะต์ อ, อินายาตินาวาริอายาตินาอาลัลลอฮ์ภายใต้การดูแลของอัลลอ์ อ, อลัลลอ์ให้สร้างนะอลัลลอฮ์ให้สร้างก็สร้างไปง น, บ, น, น บ, บีนวัวไม่ไม่ปรากฏประวัติศาสตร์มากไปกว่านี้แต่น บ, บีบรอฮีมน่ะสองนะ น บ, บีรูดเมียก็ไม่ศรัท ธ, ธาแปลกนะเมียน บ, บีนะน บ, บีนู่เมียอีมาหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ดีมันตายเนีตา ย, นะ ต, ายตายจมน้ำตายอือืใช่ไหมไม่ศรัท ธ, ธาถึงถึงวันนั้นจริงนะพีบบ่น้องนะแม้พ่อจะเป็นน บ, บีแต่ถ้าลูกไม่เอาพ่อก็ช่วยไม่ได้ดนยา ย, ยังช่วยไม่ได้แลยอะคย์รอจะหวังอะไร แต่ถ้าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราไม่มีชาติตระกูลสูงส่งอะไรอัลลอฮ์ก็รักเราใช่ไหมงั้นจนแต่ศรัทธาต่ออ Al ัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละรวยแต่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะอูซุบิลละนะงั้นวันเนี้เรามีความเป็นอยู่ก็พอประมาณอยา่าอยากได้อะไรเยอะทรักอยากได้ดุนยาและประโยชน์จากโลกดุลยาทั้งหมดไว้เนี่ยเราจะเอาไปกองไว้ที่ไหนเพืนน่น้องไอ้นุกก็อยากได้นี่ก็อยากได้ โอ้โหเป็นภูเขาเหากาความอยากของมนุษย์นะเอาเท่าที่จําเป็นอย่าฟุ่มเฟือยใช่ไหมระบบเราเอาเท่าที่จําเป็นอย่าเอาตามความอยากกินเพราะหิวแต่อย่า ก, กินเพราะอยากพอรู้สึกอิ่มยุดกินแบบไม่บัวข่านิยมบัวขล้างก็ไปพอประมาณพอแล้วฮะบัวข่านิยมแพงใช่ไหมพอประมาณพอประมาณ ผมจะกินแบบโบราณไม่ใช่เพราะไม่มีตังนะเพราะตังไม่มีมานานแล้วผมจะกินแบบไรเนี่ยแบบมะผมอยู่กับมะอยากกินวันหวานผมต้มถั่วกินถั่วเขียวบางวันเปลี่ยนับเป็นถั่วดำผมเพื่อฟื้นความดำให้มันยั่งยืนบางวันผมเปลี่ยนเป็นถั่วแดงเผื่อจะได้มีเลือดสดใสบ้างนะ ลูกจะชวนไปกินที่ไหนไหนไปนะคือคืออะไรล่ะเราอยากจะเก็บตัวเองอยู่กับความรู้สึกเดิมๆที่ว่าพ่อแม่เราลำบากมันจำตรงนี้ไงจำตรงนี้ลำบากโอ้โยลำบากมากเคยหลายฟังไหเวลาฝนตกกกระดาษใบกล้วยเนี่ยเอาแล้วยัดลังคาจากมาเห็นหน้ามันไหลพอฝามันรั่วก็เอา ใบตองใสแล้วมันอยู่กันตรงนี้แต่ไม่ได้แต่เรื่องวัตถุไม่ใช่มัมยห้ามการพัฒนามีก็ปลูกไปตามสภาพแต่นี้จะปลูกที่ดีคอนกรีตเยอะอย่าอย่าไม้เลยปพราะปวกมันกินเยอะมันกินละเอียดเป็นคอนกรีตไปก็ว่ากันตามยุตามสมัยงั้นจะจะจ ะ, จะเก็บตัวเองไว้กับความเป็นโบราณที่เคยอยู่มานะ ก, ก็ก็ทําเรือนะก็ทําเรือก็รู้แล้วคนก็มันเยอะเย้ยทักถางก็ว่าไปเพราะมันไม่รู้คนเราเพราไม่รู้ก็ถักถางก่อนใช่ไหมและกาเฟสเนี่ยจะบอกเลยนะเราต้องมั่นกับศาสนาคําสั่งของอัลลอฮ์เพราะมันเห็นเราปฏิบัติตามอิสลามมันจะเยอะเย้ยักถ า, กางเวลาคุมมียามมันบอกโอ้ยหัวเป็นชั้นตูเลยเวลาแต่งกายไม่ชิดมันก็บอกโอ้ยปิดกั้นเสรีภาพอะไรคือเสรีภาพ ภาพที่เสรีตามอารมณ์หรือภาพที่มันเสรีตามที่อัลลอฮ์สัง่งเราต้องคิดอีกของเราลึกไปกว่านั้นเนี่ยเสรีภาพอะไรคือเสรีภาพมาตรฐานเสรีภาพแบบอิสลามเรามีเสรีภาพไม่ได้ห้ามไปไหนแต่ไปมี ม, มั่รอมไม่ถูกหรอกต้องมีความมิตรชิดรอบคอบเพราะสังคมแต่นี้ยิ่งเลวร้ายมากขึ้นยิ่งนึกถึงอิสลามมากขึ้นเดี๋ยวนี้อย่าไปไหนคนเดียวอย่ากลับมืดเดี๋ยวนี้มันสารพัดสารพันเล่เหลี่ยมคนที่เป็นคนชั่วมันเยอะ เล่ดเดียมสารพัดงั้นนบีนัวก็ต่อเรือคนก็เยอะเย้ยถักถางแต่เยอะเยะก็เยอะเย้ไปแต่ปั้นปลายที่สุดก็ได้รับบทเรียนเป็นบทเรียนสอนเราถึงวันนี้แล้วก็นั่นคืออะไรวายัสนาอุลฟุลกาวะกุลลามะมรอะไลฮิมาละอุมมิงกาวมิฮิสักฮิรูมินหูเย้ยถักถางนบีนัวกอไลอินตัสคารูมินนาไฟอินนา纳斯คารูมิงกุมกามาตัสคารุทัสคารุ และเราได้สร้างเรือและใครใดที่บุคคลชั้นนําจากหมู่พวกเขาพ่านนบีนัวเขาก็เยาะเยะ้ยเขาก็จะกล่าวว่าหากพวกท่านเยาะเย้ยพวกเราแท้จริงเราจะเป็นคนเยาะเย้ยพวกท่านเช่นเดียวกันท้ายสุดเป็นไงน้ําท่วมโลกตายกันทั้งหมดนั่นคือภาคของความเยาะเย้ยที่นบีนัวไม่ได้มีจิตใจตรงนั้นทําตามคําสั่งของลอร์ดละซูลแต่ภาพที่ปรากฏก็ได้ทําลายคนที่เะื่อนต่อเลาะอย่างหมดเกลี้ยงสิ้นเชิงนั่นคือคือคนที่ศรัทธาต่อเลาะ เรื่องต่างๆล่นี้นํามาเพื่อเป็นบทเรียนให้สอนว่าข่าวใดที่เราทะเลาะต่อหรอไม่มีคนที่ทะเลาะต่อหรอจะประสบกับชัยชนะได้เลยนอกจากความสะใจตามอารงณ์ที่ตามชายตอนไปเท่านั้นเองและใครรับผิดชอบใครเมตตาเราลืมหรือหรือใครคุ้มรองคุ้มความเราลืมหรือไงใครที่บรรดาลทุกสิ่งให้กับเราได้เมื่อเราต้องการลืมหรอชายตอนนะครับ ไม่มีทางที่จะให้ประโยชน์แกเ่เรานอกจากมันหลอกลวงแต่สิ่งที่มันให้แก่เราก็คือให้เราสู้กับมันเราจะได้มีความเข้มแข็งมากขึ้นชีวิตต้องสู้ถือมุสลิมพูดสตาร์ตอัลลอฮสู้เพื่อรักษาคําสั่งของอัลลอฮ์ไว้กับใจเราไว้กับคําพูดเราไว้กับการกระทําของเราและตรงนั้นแหละเราชนะแน่นอนใช่ตอนหรืออลัลลอฮ์เลือกเอาวันนี้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติอย่าเก็บเสลาะไว้เป็นที่รําลึกแล้วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อาการเปลี่ยนแปลงสํารับเราเลย ขอจัพี่อ้องไปดูคำว่าบ ب า ا ะกัละก็ถวายบัมดิกอาชดุลลออิลัลลออัลาอฮสัมัสระองวาทุบ ill a ill a ุญเลยสุลามุอะลัยกุมราฮมัตุลลอฮบะา a า o k ขอเชิญอาจารย์ดิสุกตดานีซามันเด็นะกหนุ่มที่เคยเห็นแต่แต่เล็กๆในอดีตแต่นี่ทำแล้วอัลลอฮให้ความไม่ตาให้ความรู้เนะมือ่อคืนก่อนผมก็ฟังอาจารย์อธิบายในยาเตมทำและประทับใจวันนี้เห็นตัวจริง แต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าแต่งงานแล้วไม่ได้การใครจะบอกความจริงสนะโอ้ดีใจดีใจเลเาเล